เสขียกันแม่เจ้าทั้งหลายธรรมคือเสขียะเหล่านี้มาถึงวรระที่จะยกขึ้นแสดงเป็นข้อๆตามลำดับ 1. ปริมณทละ ว, ว่าด้วยการนุ่งหม่มเรียบร้อยสิกขาบทที่หนึ่งเรื่องภิกษุณีฉัพีพัสี1240สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพระเจ้าประทรับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกพิกษณีชาวพัคีครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างพวกชาวบ้านพากันตําหนิประนามโพนทนาว่าฉชไหนพวกภิกษุณีทั้งหลายจึงครองอันตรวาสกย้อยข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างเหมือนหญิงเครือหัดผู้บริโภคกามเล่าพิกษณีทั้งหลายได้ยินชาวบ้านตําหนิประนามโพลนทนา